เดสัปปานะกะวรค 4. ทุตทุลสิกขาบทว่าด้วยการปกปิดอาบัติชั่วยาบเรื่องพระอุปนันทักยบุตร397สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุปนันทักยบุตรต้องอาบัติชื่อสันเจ ตานิกาสุกวิสัทถิจึงบอกภิกษุสัทธิวิหาริกผู้เป็นพี่น้องกันว่าท่านผมต้องอาบัตชื่อสันเจตานิกาสุกวิสัตธิท่านโปรดอย่าบอกใครๆต่อมาภิกษุรูปหนึ่งก็ต้องอาบัตชื่อสันเจตานิกาสุกวิสัทธิได้ขอสงอยู่ปริวาตเพื่อจะออกจากอาบัตนั้นรงได้ ให้ปริวาสเพื่อออกจากอาบัตินั้นแก่ภิกษุนั้นภิกษุผู้กําลังอยู่ปริวาสนั้นพบภิกษุนั้นจึงได้กล่าวดังนี้ว่าท่านผมต้องอาบัติชื่อสันเจตนิกาสุกวิสัตถิจึงได้ขอสงอยู่ปริวาสสงได้ให้ผมอยู่ปริวาสเพื่อออกจากอาบัตแล้วผมกําลังอยู่ปริวาสขอบอกให้ทราบท่านจงจําผมไว้ว่าบอกให้ทราบแล้วภิกษุนั้นถามว่า ภิกษุอื่นผู้ต้องอบัตนี้ก็ต้องทําอย่างนี้หรือภิกษุผู้อยู่ปริวาสตอบว่าใช่ต้องทําอย่างนี้ภิกษุนั้นกล่าวว่าท่านพระอุปนันทธสกยบุตรนี้ต้องอบัตชื่อสัญเจตานิกาสุกวิสัตถิได้บอกผมว่าท่านผมต้องอบัตชื่อสัญเจตานิกาสุกวิสัตถิท่านโปรดอย่าบอกใครภิกษุผู้อยู่ปริวาสถามว่าท่านปกปิดอบัตไว้หรือภิกษุนออั้นตอบว่าใช่ครับ ภิกษุผู้อยู่ปริวาติจึงบอกเรื่องนี้ให้แก่ภิกษุทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามโพนทนาว่าทนายภิกษุรู้อยู่จึงปกปิดอาบัติช่วยยาบของภิกษุเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิภิกษุผู้ปกปิดอาบัตินั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ